ทานที่ได้ทำไปนั้นย่อมมีผลมากได้บุญมากหากวัตถุทานที่ได้ทำเป็นของที่บริสุทธิ์ตามองประกอบข้อหนึ่งด้วยก็ย่อมทำให้ได้บุญมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกวัตถุทานจะมากหรือน้อยเป็นของเลวหรือประนีตไม่สำคัญเมื่อเราได้ให้ทานไปตามกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ย่อมใช้ได้แต่ก็มีข้ออันควรระวังอยู่ก็คือ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 ความโลภ